ยินดีที่เคยได้รักเคยได้เทคแคร์ขอให้เจอคนที่ค่อนข้างถูกสเปคแก่ผมเกลียดแฟนเก่าทุกคนแต่มันก็การยกเว้นแกแล้วก็แนวทางกันใช้ชีวิตก็ไม่ลลเลฟนเลนสแก่ไม่อยากให้ป่วยหนักไม่อยากให้ไม่สบายและคนย่เฮียที่ห่วยสัตย์ยืนอยู่วันที่เธอใกล้จะตายตอนนี้ก็ตีสามแล้วควันในปอดเดิมได้ระบายขอบคุณที่สอนให้รู้จากคำว่าต้องแต่เกลียดและต้องแต่กาย เดินหายไปกับฝูงคนที่บางกอกนี่มันเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมต้องทอดมานปลอดไอ้เฮียมันโคตรคิดถึงสิ่งที่ต้องการบอกโชคดีที่ไม่ต้องทอดมานต่อ That's real <S one yeah. เจงฉันยิน